พุทวาสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่รายการสรนสนียสนทนาได้มาพบกับท่านในวันทํางานนะคะจันทถึงสุขแต่ว่าวันนี้อาจจะพิเศษอยู่สักหน่อยที่ว่าเป็นวันหยุดพิเศษชดเชยวันจั ก, กรีที่ผ่านมาคะ่ะดิฉันสันสนีนาฏพงศ์รายการสันสนียสนทนาเป็นรายการธรรมะนะคะสนทนากันแต่เรื่องของธรรมะเพื่อที่จะให้เราได้ฟังในสิ่งที่พิเศษสุด ที่หาฟังได้ยากนะคะแล้วก็ถ้าจะหาฟังกันได้ก็ต้องเวลาแบบนี้คะ่ะไม่เช้าจัดก็ดึกจัดเพราะว่าเวลาตามปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการประเภทอื่นๆรายการแบบนี้จึงตั้งใจทำให้มากเลยนะคะว่าใครที่ตื่นเช้ามาแล้วก็จะได้ทั้งในส่วนของการสดับฟังพระสัตรุดรมสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสรู้สอนเอาไว้ นล้ว น, นอกเหนือจากนั้นท่านทรมุ่งเน้นให้นำเอาไปปฏิบัติเราก็จะมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันในรายการแถมไม่ใช่ปฏิบัติเองโดยที่ดิฉันเป็นคนชี้แนะนะคะแต่เป็นพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติเองด้วยสอนสิทกันอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นคอร์สทุกๆเดือนด้วยนั่นก็คือพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีที่ดิฉันกําลังจะพาท่านทั้งหลาย ไปให้ท่านนำปฏิบัติธรรมด้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยแหละคะ่ะกราบน้องส ก, กายกับท่านคะเชิพรเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเนีเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่เราจะใช้อยู่เป็นประจาอยู่แล้วนั่นคือลมหายใจของเราในทุกๆวันตั้งแต่เราเกิดมาออกจากคันมารดาเนี่ยเราหายใจอยู่เป็นปกติอยู่เป็นประำจำจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไปก็ยังมีลมหายใจอยู่ เพรนเครื่องมือที่เรียกว่าลมหายใจนี้จึงเป็นเครื่องมือที่เราเคยชินคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เราเกิดแต่นะเพียงแต่ว่าวิธีการใช้งานนั้นก็นะคือเวลาที่ลมหายใจของเราผ่านเข้าผ่านออกอยู่เป็นธรรมชาตินี้เนี่ยให้เราเอาจิตของเรานั้นไปกําหนดรู้รการกําหนดรู้ก็คือเอาจิตของเรานั้นมาลึกถึงลมหายใจในะเวลาที่เราลึกถึงลมหายใจนั้นก็ไม่ต้องตามลมและไม่ต้องบังคับลม พระเาได้เคยเปรียบเทียบเรื่องของสติที่พูดถึงว่าใจของเราต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงและเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราจะสร้างเมืองเมืองหนึ่งที่เราจะป้องกันค่าศึกศัตรูที่มาจากภายนอกได้และก็จะต้องมีองค์ประกอบต่างๆของเมืองได้เคยเปรียบเทียบในเรื่องนี้เอาไว้ในอย่างนี้ว่าพิสุทธ์ต้งหลายเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีนายทวารที่เป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญาห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จักให้เข้าแก่คนที่รู้จักเพื่อกุ้มภายในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเท่นั้นก็เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งระลึกถึง การระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทาและคำที่พูดแล้วแมหนานได้ที่เมื่อเธอมีสติเป็นนายทวารย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่หรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชา มีอาวุธสั่งสมไว้เป็นอันมากทั้งชนิดที่ใช้ซั์ใกล้ตัวและซัดไกลตัวสำหรับคุ้มภายในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเถ่นั้นก็เป็นผู้ที่มีสุตตะอันตนสดับฝั่งแล้วมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะสุตตะคือทำเหล่าใดที่งดงามในเบื้องต้น ห้ามกลางและที่สุดที่เป็นการประกาศพรมจรรย์อันบริสุทธิ์บารุบุญสิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะที่มีลักษณะเห็นป่านนี้อันเธอนั้นสดับฟังแล้วมากทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเมื่อเธอมีสุตตะเป็นอาวุธย่อมละอกุศล จเจริญกุศลละกามันมีโทษจเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนนั้นเหมือนกันหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกองกำลังประจำอยู่เป็นอันมากคือกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลธนูกองจัดทงประจำกองกองเสนาธิการ กองพลิการกองยุทธการไฟกองราชบุตรกองจู่โจมกองเกราะโล่ไม้กองคนกล้าและกองาธาตุสาหรับคุ้มภายในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใด้เท่นั้นก็มีความเพียรอันปราบลบแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อม มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อเธอเป็นผู้มีความเพียรเป็นพลักกายย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมเปนมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่เช่นนั้นเหมือนกันนี้เป็นอุปมาประมัยที่พระเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบ ถึงองค์ประกอบที่เราจะต้องมีในจิตมีสติเป็นต้นมีความเพียรมีการทรงสุดตะสังสมสุดตะเพื่อที่จะป้องกันจิตของเราจากภัยข้างนอกคือมานต่างๆได้เริญพอสาธุค่ะก็เหมือนกับว่าเราจะต้องประกอบไปด้วยหลายๆอย่างที่ท่านได้พูดไปแล้วชทีนี้อย่างอื่นเข้าใจง่ายหมดเลยแต่ว่า คำว่าสุดตาเนี่ยคะท่านคะอืมสุดตาก็อย่างที่พุทธพจน์ตะกี้พรุทธาอธิบายไว้สุดตาก็คือธรรมะนั่นเองนะเป็นธรรมะที่มีความกนานดงามในเบื้องต้นบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งวิญญชนะนะได้ช่วพูดง่ายงก็คือเป็นพุทธพจน์เป็นคําสอนของพระุทานี่แหละครับซึ่งใ น, นการทรงสุดตาสังสมสุดตานี้ก็หมายถึงว่าเราฟังธรรมอย่างรายการสันสนิสนทนาอย่างเงี้ยเรามาคุยเรื่องธรรมะ เออเราฟังทมตรงนี้ก็ชื่อว่าเราสั่งสมวุธล่ะสำหรับป้องกันค่าศึกศัตรูที่จะเข้ามาค่ะก็เท่ากับว่าเป็นการทำให้ท่านเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบางถ้อยบางคำซึ่งถ้ายัางไม่คุ้นเคยกันก็อาจจะติดใจอยู่เฉพาะตรงที่สงสัยเลยไม่ยอมที่จะไปต่อในเรื่องอื่นๆท่านคะดิฉันขอกลับเรียนถามสาหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าตัวเองก็เคยมีประสบการณ์นะคะเช่นระหว่างที่ เรากำลังกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยอานอยู่ๆก็มีความรู้สึกเหมือนมดกัดเหมือนอะไรที่มันมาจุกจิกรบกวนเราอะนะคะอยากทราบว่าลักษณะเนี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะไปปัดมดก่อนไหมหรือบางคนบอกว่าไปปัดก่อนสิแล้วพอไปปัดเข้าจริงๆไม่มีหรอกมดมันมีความรู้สึกพวกนี้ขึ้นมาเองอเราควรจะทำเช่นไรคะถ้าหากว่าเกิดอาการเช่นนี้ คือเวลาที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างนี้น ะ, <ค>ะเราพยายามที่เราจะตั้งสติขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนเมืองที่มีนายทวารคอยคุมกันคนเข้าคนออกนีทีนี้ในขณะที่เราเรายุกตัวอย่างนายทวานนี่เลยคุณยมติ๋วมันจะชัดเจนมาก <คะ S 1> แต่ในขณะที่เรากําลังตั้งสติขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันมีคนผ่านเข้าผ่านออกมีนายทวานก็ตรวจตาอยู่นะคนผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยเอาของที่ต้องห้ามเข้าเข้าไปบ้างเอาของที่ไม่ให้เอาออกออกไปบ้าง หรือบางทีเป็นไส้ศึกมันผ่านเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยถ้านายทวารไม่ฉลาดเนี่ยก็จะมีไส้ศึกบ้างมีคนเอาของเข้าของออกที่ต้องห้ามบ้างเกิดขึ้นได้นะนี่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะในขณะที่เราพยายามจะฝึกสติตั้งสติไว้เนี่ยเอ่อถ้าสติของเรายังมีรูรั่วอยู่ยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็ ง, แ, ข ง, แ, ขงแรงอะไรต่างๆแตนะ่บางทีมันมีเครื่องกวนนะเครื่องกวนเนี่ยมันจะทําให้เราตั้งสติไม่ได้นะเครื่องกวนเหล่านี้เอ่อพระเจ้าก็แยกแยกเอาไว้เป็นก็เนระียกว่า นิวรณ์ทั้ง5ประการนิวรณ์แปลว่าเครื่องกางกั้นน ะ, ะเรื่องที่มันจะมาคอยกวนคอยขัดขวางพูดง่ายๆคืออุปสรรคนั่นแหละนะแล้วก็เวลาที่มันจะมาคอยกวนคอยขัดขวางมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบเช่น เ, เดี๋ยวคันบ้างเดี๋ยวปวดขาซึ่งแต่ก่อนไม่เคยปวดอย่างเงี้ยพอจะมานั่งสมาธิเนี่ยหนาทีนั้นนะ่ะมันปวดแล้วก่อนละ่นะหรือเหมือนกับอย่างที่คุณยมติว่าคันนเะหมือนมดอะไรมาต่อยมามาไต่ไต่เท้านั้นแต่พอเปิดตาดูเอ้ามันไม่มีเป็นเครื่องกวน นะบางคนก็จะมีอาการแตกต่างกันไปเช่น เ, เหมือนกับตกเหวบ้างเหมือนกับลอยขึ้นบ้างเหมือนกับมีแสงสว่างอะไรต่างๆที่จะมาคอยกวนเรานะไม่ให้จิตของเราเป็นสมาธินีนะ่เราจะต้องทํำยังไงพวกนี้คืออะไรก่อนนะคือนอกจากว่าเป็นนิวรณ์แล้วเนี่ยบางทีมันก็มาในรูปแบบของการปรุงแต่งทางกายนะการปรุงแต่งทา ง, งกายเป็นปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้บ้างนะหรือบางทีก็เป็นการปรุงแต่งทางจิต ไหนให้เรู้สึกเหมือนกับตกเหวบ้างคันบ้างอะไรบ้างซึ่งจริงมันไม่มีอะไรนะทำยังไงต่อนะพระุเจ้าก็บอกว่าให้ทําการปรุงแต่งทางกายเนี่ยให้ระงับนะให้ทําการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยให้ระงับนี่ต้องให้ทําให้มันระงับลงไปเราจะทําให้มันระงับได้อย่างไรก็ในทวารนี่แหละต้องฉลาดนะสติก็เราก็ต้องมั่นขึ้นนะให้มันมีกําลังมากขึ้นนะเราก็จะป้องกันไอ้เจ้าสิ่งที่มันจะมากวนี้ได้นั่นเอง คาว่าสติของเราต้องมีกําลังมากขึ้นเป็นเช่นไรกันบ้างคะกำลังของสติก็คือนายทวารที่เปรหมือนนายทวารต้องฉลาดนายทวารฉลาดเป็นยังไงเขาจะต้องรู้ว่าเราดูอย่างยามที่หมู่บ้านเราหรือว่ายามตามสถานที่ราชการหรือตามโรงงานอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์สมัยใหม่นะคุณโยมติวคุณเอาบัตรนี้มาจ่อเข้ากับเครื่องปุ๊บนี่มันจะติดขึ้นมาแล้วก็หน้าจอก็จะขึ้นภาพชื่อคนคุณอยู่แผนกไหนทําอะไรยังไงเข้าไปเมื่ อ, อไรออกมาเมื่ อ, อไร เขาจะมีเครื่องช่วยยามยามหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงนั้นน่ยก็จะต้องมีระบบการทำงานของเขาบ้างามีเครื่องมือช่วยเครื่องสแกนเครื่องตรวจกระจกคอยดูว่ารถเข้ารถออกนะเปิดท้ายรถอะไรต่างๆเหล่านี้นเขาต้องมีมาตรการการกา ร, รักษาความปลอดภัยของเขาตรงนี้คือกําลังของยามเช่นเดียวกันสติของเราเราจึงต้องมีเครื่องมือในการที่จะตั้งสติขึ้นคืออะไรบ้างนลงมาใจนี่อย่างหนึ่งหลังการที่เรารับประทานอาหาร พอประมาณท้องพร่องอันนี้ช่วยไดนะ้การที่คุณประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนอนยามเดียวการที่คุณฟังธรรมอันนี้ช่วยได้ช่วยให้สติมีกำลังขึ้นมาได้นะการที่เราคอยฝึกทาความเพียรอยู่เรื่อยๆหรือว่าการที่เราพูดดีคิดดีทำดนะีพวกนี้จะช่วยทำให้สติเรามีกำลังตั้งขึ้นได้นั่นเองค่ะแต่อันนี้เหมือนกับว่าจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้า คือฝึกซ้อมอที่จะรับประทานอาหารน้อยมีการาที่ท่านพูดไปทั้งหมด น, น ะ, ะฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างพวกนี้ค่ะ อ, อันนี้จะต้องเตรียมไว้ก่อนคิดดีพูดดีทำดีใช่แต่ที่ี่ในขณะปฏิบัติเนี่ยดิฉันจากประสบการณ์ตัวเองนะคะครั้งหนึ่งเคยนั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันเหมือนมีขอภัยนะคะเหมือนมีตัวอะไรชัยในร่างกายเรา ม, มันใ น, ในผิวหนังเลยนะคะ อดิฉันจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยก็ก็พยายามที่จะรู้ลมหายใจมากเข้าคือเหมือนกับตั้งสติสุดท้ายหายไปเองค่ะท่านค ะ, ะต้องถามอย่างนี้หรือเราจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะคือสตินี่ก็ส่วนหนึ่งอะเขายมไว้เนี่ยเป็นเครืค่องมือสําหรับรักษาเมืองใจของเร า, าทีนี้ถ้าสมมติเรามาพิจรารณาเฉพาะตรงจุดที่ว่ามันมีภัาษาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถูกไหมซึ่งในกรณีนั้นคือเหมือนมีอะไรสักอย่างมันเกิดขึ้นในกายของเรา นนเราก็ลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะเอ๊สิ่งนั้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาพิจารณาดูแค่นี้ก่อนคือมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาถูกไหมค่ะมันเกิดเฉพาะเวลานั้นแล้วบางทีมันก็มามาไปไปมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมแสดงว่ามันมีความไม่เที่ยงอยู่นะอันนี้คือคือข้อที่1ที่เราสังเกตเห็นได้แต่ก็ต้องถามต่อไปว่าสิ่่่่งงงใดเเเเททีียนยนนนนสั้ปป็็ุุกขหรือ เป็นทุกข์ค่นเออเป็นทุกข์มันเลยทำให้เราต้องมาคิดว่าเอ๊ยเี๋ยฉันเป็นอะไรมันมันเป็นคิดไปเองหรือมันเป็นจริงๆกันแน่อะไรนี่มันเป็นความทุกข์ถูกไหมค่ะสิ่งใดที่เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเออสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นควรแล้วหรือนอที่จะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคําตอบคือไม่ควรค่ะเออไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามาคิดว่าเอ๊ยนี่ฉันต้องเป็นแต่ตัวนี้ หรือไอ้ตัวนี้ต้องมีอยู่ในฉันหรือฉันต้องเป็นสิ่งนี้หรือสิ่งนี้มีอยู่ในฉันเราไม่ควรคิดอย่างนั้นาากันจะไหมเพราะมันเป็นอนัตตาทำามเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะเราพิจารณาอย่างนี้ก็ได้แล้วเราทํายังไงวางมันซ ะ, นะ <c oughs> สิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นเราควรจะต้องละมันเสียนี่คือสิ่ง <c oughs> ที่พระเจ้าสอนไว้พิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะคะที่ดิฉันต้องถามละเอียดเนี่ยเพราะเข้าใจว่า หลายท่านอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเราในตอนแรกนะคะกว่าจะทำความเข้าใจในลักษณะที่ท่านบอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เราก็ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะใชะ่ก็ต้องสั่งสมสุตตะคือต้องรู้ธรรมะเลยละ่ะถึงจะคร่ครวญเช่นนี้ได้ใช่ใช ค, ค, คือก่อนที่เราจะมาเห็นความไม่เที่ยงได้เนี่ย จิตของคุณก็ต้องนิ่งพอสมควรทําไมนะเพราะว่าเวลาที่เราจะเห็นว่าอะไรมันสั่นไหวเนี่ยเราต้องนิ่งไงคือถ้าเราสั่นไหวไปด้วยแล้วเราจะไปเห็นของสั่นไหวอื่นๆมันก็มันก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นจิตเราต้องนิ่งพอสมควรในระดับหนึ่งนะ <คะ S 1> ในการที่จะเห็นพอพอเราจิตเรานิ่งพอสมควรในระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งอื่นมันมันไม่เที่ยงมันมีอยู่คะ่ะงั้นจึงหมายความว่าหากเจอสถานการณ์เช่นนี้ในขณะนั่งสมาธิอืก็ขอให้ มีมีความตั้งมั่นมีการกําหนดจิตให้ยิ่งขึ้นแล้วไครครวญไปด้วยอย่างนั้นไหมคะมันก็จะต้องไปก่อนนั้นนั้นอีกใช่ไหมคือคุณยมติวพูดถึงว่าจะเห็นไม่เที่ยงได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมค่ะซึ่งก็หมายความว่าคุณจะต้องมีจิตที่นิ่งพอสมควรนิ่งในระดับหนึ่งทีนี้การที่คุณจะมีจิตนิ่งในระดับหนึ่งเนี่ยมันต้องมีสติมา ก, ก่อนค่ะและพระเจ้า ต, ตรัสว่าสัมมาสติเนี่ยถ้าบุคคลมีแล้วเนี่ยนะ จะทำสำมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ้เราจะคุณจะเห็นความไม่ที่งได้คุณต้องมีสมาธินะอ้าวถ้างั้นจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ไงคุณก็ต้องมีสตินะเออเพราะฉะนั้นสติมันก็ต้องมีมาก่อนด้วยนะอย่างที่ว่านี้ค่ะทีนี้ก่อนหน้าจะมาจัดรายการฉะนั้นได้สนทนากับท่านพิบูลนิดหนึ่งแล้วเมื่อมาให้ท่านทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังได้ทําสมาธิเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่า ทำสมาธิแล้วได้อะไรก็จึงจะขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณายกบทสนทนาที่ท่านปลารบเป็นประโยคแรกที่ได้คุยกับท่านก่อนที่จะเข้าสู่รายการเลยว่าข้อดีของสมาธิของท่านนะคะคือสมาธิเนี่ยจะทําให้เรามีความสุขในภายในะนะคือมันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะได้จะเห็นได้ด้วยตัวเองนะคือคือพระที่บวชอยู่ได้ทุกวันนี้นะคุณโยมติวคือคการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีได้ก็เพราะว่า มีการปฏิบัติสมาธิแตนะไม่งั้นคนที่เขาจะไม่กินข้าวเย็นไม่ไปเที่ยวดูหนังดูฟังเพลงไม่ไปหาความสุขที่เป็นสีแสงพวกนี้จะอยู่ไม่ได้เขาอยู่ได้เพราะว่ามีความสุขในภายในเนี่ยมันตรงนี้เป็นเรื่อง ส, สำคัญที่ถ้าพว่าเรามีจิตเรามีกายเนี่ยเราควรจะมาหาความสุขที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปนั่นเองค่ะนะคะ ท่านบอกดิฉันบอกว่าเนี่ยถ้าไม่นั่งสมาธิแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนค่ะซึ่งดิฉันเองเพิ่งสนทนากับรุ่นน้องคนหนึ่งในวันนี้ก็เล่าถึงบุคคลที่สามอีกท่านหนึ่งนะคะออืนินทาเขารับหลังในเรื่องที่เขาไปปฏิบัติธรรมแล้วก็น้องคนนี้เขารู้จักกันกับบุคคลที่สามนี่มาก่อนก็สรุปว่าดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนที่ ปรีดง่ายมาก อ, อบอกเดี๋ยวนี้เป็นน้อยลงเยอะเลยอโหอันนี้เขาไม่เรียกนินทาเขาเรียกว่าเอาข้อดีของคนอื่นมาบอกต่ออันนี้เป็นสัตว์บุรุษนะเป็นคนดีนะคนที่พูดเนี่ค่ะ ก, ก็เลยจะบอกท่านผู้ฟังด้วยว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาประจักษ์กันมาแบบนี้เผือ่ออาจจะเป็นปัญหาของท่านอยู่แล้วเเราจะแก้ไขได้อย่างไรแต่การนี้ก็บอกทางค่ะแล้วในพิสูจน์ตั้งแต่ตอนต้นรายการที่ทเต่อามาอ่นให้ฟังเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่ง <c oughs> คือพระสูตรเนี่ยมันยาวพอสมควรในมีตอนหนึ่งที่พูดถึงสมาธิเนี่ยบอกว่าถ้าเบิดว่าใครมีจิตเป็นสมาธิแบบนี้แล้วเนี่ย อ, อมานเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เป็น <c oughs> ผู้ที่มานมองไม่เห็น <c oughs> ว่ายอย่างนั้นเลยค่ะหรือฉันชอบตอนขึ้นต้นด้วยนะคะเมื่ออ่านพระสูตรกายยนครที่ปลอดภยัย <c oughs> ซึ่งขึ้นต้นพระพุทธองค์ตรัสกับ ภิกษุทั้งหลายว่าอริยาสาวกประกอบด้วยสัตยธรรมเจ็ประการและเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาโดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้ง4ี่อันประกอบในจิตอันยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมในการใดอ่าในการนั้นอริยาสาวกนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มารันมีบาวกระทำอะไรไม่ได้ใช่ก็คือเป็นการยืนยันในสิ่งที่ท่านสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้อง ท่านจะให้ความรู้ซ้ําอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ลึกซึ้งว่าสัตยธรรม7ประการนั้นเป็นอะไรกันบ้างที่จะทําให้มารผู้ใจบาป ท, ทําอะไรไม่ได้ก็ตอนแรกที่ได้พูดถึงก็คือจะมีเรื่องของสติใช่ไหมที่ได้พูดเปรียบเทียบกับในทวารอันที่2ก็เปรียบเทียบกับเรื่องของอาวุธนะก็คือสุตตะพวกธรรมะต่างๆที่เราฟังเราสั่งสมไว้อัที่3มคือกองกําลัง น, นในเมืองเนี่ยต้องมีกองกําลังหน่วยพลาธิการหน่วย อย่างปัจจุบันก็จะมีทาหารราบทาหารมา้ทาทหารสื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้นี่คือความเปี่ยนนี่คือข้อที่3าม <c oughs> แต่ถ้าไล่ตามลำดับมาก็อันข้อที่4ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของศรัทธานะศรัทธาก็คือเหมือนเสาระเนียดเสาระเนียกก็คือเสาที่เขาจะเราอาจจะเคยเห็นในในก่อสร้างเนี่ยเวลาก่อสร้างก็จะมีเสาหนึ่งที่สหรับส่งของยกของอะไรต่าง ๆ, ๆ นะนอกจา ก, <Okay. S 1> จากนี้เสาหนี้มันก็ยังส่งของได้ติดประกาศได้อะไรต่างๆเป็นหอคอยสังเกตการอ์ตรงนี้คือเสาที่ว่านี้ <Okay. S 1> ข้อที่5ก็คือต้องมีครนะูคูล้อมรอบ5กับ6นี่มาด้วยกันครูล้อมรอบเชิงเทินเดินรอบนะก็เปรียบเหมือนกับหิรนะิโอตะปะครูก็คือหิรนะิคือความอละอายตบาบาปนะเชิงเทินเดินรอบบางทีเขาไปสร้างอยู่บนกำแพงนะอย่างกำแพง <Okay. S 1> เมืองจี น, นจะมีทางเดินอยู่บนกำแพงใช่ไหม อย่าง <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นลักษณะเชิงเทินเดินรอบก็คือมีโอตัปะ <c oughs> น, น, นี่คือข้อที่6แล้วข้อที่7ก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญาก็คือกำแพงนั่นเองตัวกำแพงที่ต้องก่อและฉาบอย่างดีเพื่อที่จะป้องกันภัยได้ทีนี้พอมีกำแพงก็ต้องมีประตูใช่ไหมประตูก็ต้องมีนายทหารอย่างดี่ว่า น, นนี้คือสตา <c oughs> ม7ประการที่จะคุ้มครองเมืองให้ปลอดภัยได้ค่ะนะคะ ดนั้นก็คงจะทําให้จําอยู่ในใจของท่านมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้กล่าวซ้ําให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งอนอกจากนี้พระเชา้ายังพูดถึงสัตว์ทําเจตประการแล้วก็ยังมีในเมืองเนี่ยมันต้องมีเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยนะคุณโยมเตีวค่ ะ, ะเหมือนกับพวกหญ้าน้ําหรือไม้นะพวกของอุปโภคบริโภคต้องมนะีนอกจากนี้ก็คือยังต้องมีอาหารนะเป็นข้าวเป็นข้าวที่ข้าวเหนียวก็ตามข้าวสวยก็ตาม เราก็ต้องมีสเบีย ง, ยงจุกต้องสบียงคลังที่ละเอียดประนีก็มีมีประเภทไม่เหมือนกันนะข้าวที่กินธรรมดาทั่วไปก็อย่างหนึ่งนะพวกเป็นอพรณชาติเป็นพืชที่มีราคาขึ้นมาหน่อยเช่นงาถั่วเขียวถั่วราชมาดพวกเนี้ที่ใช้สําหรับทำอาหารที่ประณีขึ้นก็ไปอีกแล้วก็ยารักษาโรคก็ต้องมีนะนนี้ก็เปรียบไล่มาเหมือนกับชั้นหนึ่ง ช, ง ช, ช, ชั้น2ชั้นสาชั้น4นั่นเองนะคะค่ะแล้นี้ก็ เป็นคำสอนของพระสาสดาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าเรามีทำเจตประการที่เปรียบเทียบกับเรื่องของนคร น, นะคะซึ่งควรจะมีอะไรบ้างเรื่อยมาตั้งแต่กองทัพต่างๆจนกระทั่งมาถึงสเสบียงใช่ทีนี้ขอสรุปตรงนี้ทีหนึ่งสมมุติว่าถ้าเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยไม่มีอุปกรณ์พวกนี้นะ คุณก็จะถูกตีแตกได้นะไอ้ตีแตกมาจากไหนศัตรูมาจางไหนก็มาได้ทุกทิศทุกทางถ้าเมืองไม่มีไม่มีกำแพงเนี่ยมันมาได้ทุกทิศทุกทางแตเช่นเดียวกันถ้าจิตเราไม่มีเครื่องมือพวกเนี้เราจะถูกปรสสาศรามกระทบนะจิตเราจะแตกนะถูกปราศรัสสไม่พอใจมันกระทบเราก็จะปรี๊ดขึ้นมาโกรธ ถ, ถูกปราศรที่พอใจมันกระทบเราก็จะลุ่มหลงมัวเมาไปเรื่อยไปนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นในวงเล็บประสูตมนี้บอกว่ากายนี้ได้ชื่อว่ากายยานคร ก็มีอะไรที่ต้องจัดการรักษาป้องกันเหมือนกับนครเหมือนกับเมืองร่างกายของเราเนี่ยใช่ใชมีมารคอยดังควานอยู่ตลอดเวลาใช่เมื่อพระอริยสาวก ป, ประกอบแล้วด้วยสัตธรรมทั้ง7และมีฌานทั้ง4เป็นเครื่องอยู่อย่างพาสุกมารก็ทําอะไรไม่ได้จึงปลอดภัยเฉยผานบท น, นี้ก็กราบขอบพระคุณท่านไทบุญเป็นอย่างยิ่งคะ่ะท่า น, นสกันคะ่ะท่านฟังที่เคารพค่ะอ่าธรรมะแบบนี้ดิฉันมั่นใจว่าหาฟังได้ยากนะคะเพราะว่า มีพระสูตรหรือว่าเป็นพุทธวจนะของพระาศาสดาเนี่ยกำกับยืนยันว่าตรัสเอาไว้อย่างนี้แล้วอุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าศึกษาจริงๆสุดยอดนะคะไม่สามารถที่จะค้านกับสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยที่ท่านตรัสไปได้เลยว่าท่านตรัสไว้ไม่น่าถูกนะ่าอย่างนั้นอย่างนี้เปรียบเทียบตรงไหนก็ตรงไปหมดนะคะก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ไม่ต้องเป็นภิกษุทั้งหลายก็ได้เป็นพวกเราทั้งหลายนี่แหละเพราะพระพุทธองค์ท่านปรัสสอ น, นสอนทุกคนนะคะใครที่มีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเอาแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างเต็มที่รายการนี้รายการสั น, นสนาสนทนาค่ะดิฉันสันส น, นาพง์ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมาเสดธรรมเพื่อที่จะพึ่งตนพึ่งธรรมได้การในวันพรุ่งนี้ต่อไปทางสถานีพิยุ s m ครอบครัวข่าว ร้อยหกแห่งนี้กราบนมัสกรารลานะครับพระมหาภัยบุญพิปุนโนและก็ลาท่านฟังทุกท่านไปพร้อมๆกันค่ะภูตวัสสตีค่ะ